มาศึกษาอาวิชาความรู้จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพะอระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร ะ, ะบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งแก่สัตว์โลกทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะมีขุนวิเศษมีความประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่พวกเรายกย่องนับถือให้เป็นระรตนาตรายัย รัตนะก็แปลว่าอัญมณีอันมีค่าเช่นพวกเพชรนินจินดาต่างๆไตรแปลว่าสามเรามีพระรัตนไตรเป็นสมบัติของพวกเราที่พวกเราสามารถที่จะเอามาทำประโยชน์ ให้กับพวกเราประโยชน์ที่พระรัตนตรัยทำให้กับพวกเรานี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้กับเราได้เหมือนกับพระรัตนตรยัยต่อให้เราได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือเป็นพระมหาจากักรพรรดิหรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล เดียนิยมชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองในกีฬาต่างๆหรือรางวัลตุ๊กตาทองต่างๆสิ่งเหล่านี้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณค่าคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระรัตนตรัยนี้เป็นเหมือนอฟ้ากับดิน เป็นเหมือนก้อนเพชรกับก้อนหินสิ่งที่พระรัตนตรัยจะให้กับเราให้เป็นประโยชน์กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับพวกเราได้และเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการกันมากที่สุดด้วยสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือวิมุตติ คำว่าวิมุตติแปลว่าอะไรวิมุตติวิมุตมติแปลว่าการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะมอบให้กับเราได้มีเพียงพระรัตนตรัยเท่านั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสามารถมอบวิมุตติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่พวกเรากำลังถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลาตายไปและหลังจากที่ตายไปก็ยังถูกคุกคามต่อไปจนกลับมาเกิดใหม่ ชีวิตของพวกเรานี่ถูกความทุกข์ติดตามคุกคามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์นี้เป็นเหมือนเงาตามตัวของพวกเราไม่ว่าพวกเราจะหนีไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครความทุกข์นี้มันก็ไม่ทอดทิ้งเราเลยมันนักเป็นห่วงเราตลอดเวลามันคอยติดตามเราเป็นถ้าเป็นทาตก็เป็นทาตที่ซื่อสัตย์ที่สุด แต่เป็นธาตุที่เราไม่อยากจะได้กันเพราะมันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันมีแต่ให้ความทุกข์กับเราตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการกันอย่างยิ่งทุกคนจะว่าไม่อยากได้หรือไม่อยากไม่อยากได้หรืออยากได้ก็ตาม ความจริงแล้วทุกคนไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันทุกคนอยากได้ความสุขกันทั้งนั้นแต่ทุกคนก็ยังต้องเจอกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะพยายามกำจัดความทุกข์มันด้วยวิธีใดก็ตามความทุกข์มันก็ไม่ยอมหายไปเป็นเหมือนเงาที่เราไม่สามารถที่จะไปกำจัดมันได้ อยกกำจัดมันได้ก็ตอนที่เราอยู่ในที่มืดเท่านั้นในที่ไม่มีแสงถ้าไม่มีแสงแล้วมันก็จะไม่มีเงาชั้นใดวิบุติก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะอยากให้ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ติดตัวเราเป็นเงาติดตัวเราเราก็ต้องไปอยู่ในที่ไม่มีแสงให้มีเงาติดตัวเราที่ที่ไม่มีทุก ติดตามเราได้ก็คือที่ไม่เกิดนั่นเองมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องมีความทุกข์กันก็คือการไม่กลับมาเกิดกันถ้ายังมีการกลับมาเกิดกันอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์เปเงาตามตัวอยู่เสมอเหมือนกับเงาที่ตามร่างกายของเรา เงามันจะหายไปก็ต่อเมื่อไม่มีแสงสว่างถ้าไปอยู่ในที่มืดแล้วจะไม่มีแสงจะไม่มีแสงมาทําให้เกิดเงาตามตัวเราได้นี่แหละคือวิมุตติที่ไม่มีใครสามารถที่จะมอบให้กับเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจึงถือว่าเป็นรัตตนาะ ทแท้จริงเป็นอัญมญณีที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเพราะจะทําให้จิตใจของพวกเราทุกคนได้หลุดพ้นจากกองทุ ก, ทกชนิดไม่ว่าจะเป็นกองทุกขที่เกิดจากการเกิดก็ดีเกิดจากการแก่ก็ดีเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากการตายก็ดี เกิดจากการพัดพรากจากกันก็ดีเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆก็ดีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะหายไปหมดถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นผู้มาคุ้มครองรักษาจิตใจของพวกเรานี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่พวกเราชาวพุทธ มีกันหรือสามารถมีได้ดีกว่ามีเงินทองกองเท่าภูเขาดีกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในระดับมหาจากักรพรรดิดีกว่าการได้รับรางวัลชนิดต่างๆดีกว่าการที่จะได้ไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะมอบวิมุตติให้กับเราได้ให้เราได้ก็เป็นแบบควันไฟเวลาที่เราได้สิ่งต่างๆมาเราก็จะรู้สึกดี อ, อกดีใจความทุกข์ความเศร้าใจความเสียใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่ไม่นานเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ มันเป็นเหมือนควันไฟการดับความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นการดับได้เพียงชั่วคราวไม่สามารถที่จะดับมันได้อย่างถาวรมีเพียงวิธีการของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวร ให้มีวิมุตติที่ถาบนคือหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการกาจัดเหตุที่พาให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้ากาจัดตัวที่คอยดึงคอยลากจิตใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้จิตใจก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ใจิตใจเปรียบเทียบเหมือนกับเกวียนเกวียนนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีวัวควายเป็นผู้ลากเกวียนไปถ้าเราฆ่าวัวฆ่าควายเสียเกวียนมันก็จะไปไหนไม่ได้ใจเราเป็นเหมือนเกวียนตัวที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาต่างๆนี่เอง ที่มันอยู่ในใจของเราที่มันคอยหลอกคอยล่อให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เรามาหาลาบยศสรรเสริญให้เรามาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆหาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอคาว่าอิ่มคาว่าพอ มีแต <fl ush ed> ่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้คืบก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้ว่าเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นนายพลก็อยากจะเป็นผอหัวหน้าของนายพล เป็นหัวหน้าของนายพลก็อยากจะเป็นนายกเป็นไม่เป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นยกที่สองยกที่สามไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วความสุขที่ได้ก็ได้แค่ชั่วตอนที่ได้แล้วตอนที่ต้องรักษามันก็เครียดกับมันตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเวลาได้มาจะดีใจแต่พอต้องมาคุ้มครองดูแลรักษามันแล้วทีนี้กลายเป็นความเครียดกลายเป็นความวิตกกังวลสรุปก็คือเราโลภหาความทุกข์กันเพราะถูกความสุขบางๆ เ, เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนยาขมเคลือบน้ำตาล เวลาอมไปใหม่ๆก็หวานเดี๋ยวสักพักหนึ่งลถหวานก็หายไปลถขมก็โผล่มานั่นคือลักษณะของลาบยศสรรเสริญของความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมันจะเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลมันจะหลอกให้เราหลงอยากได้กัน พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันหวานอมขมเกืนเกินไม่เข้าคายไม่ออกได้มาแล้วก็เสียดายไม่อยากจะเสียเก็บเอาไว้ก็ทุกข์ไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละคือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มันจะเป็นแบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกกันความสุขแบบเกินไม่เข้าคายไม่ออก응เวลาได้ใหม่ๆอมเข้าไปใหม่ๆก็หวาน응พอจะเริ่มลื้นเอามันขมซยแล้ว응พอจะบ้วนออกมาก็บ้วนไม่ออกเสียดาย응ทั้งทั้งที่มันขมทั้งทั้งที่มันให้ทุกข์กับเราก็ยังอยากจะเก็บเอาไว้อยู่ยังหวงอยู่ยังหวงอยู่응 นี่แหละเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนใหญ่คนโตคนต่ําคนต้อยคนง้คนฉลาดทุกคนมีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นคือมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวเหมือนกันทุกคนแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะ รู้วิธีกำจัดความทุกข์ที่เป็นเงาตามตัวนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวจะต้องรอคนฉลาดที่นานๆานจะมาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งคนฉลาดนี้ก็คือคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกท่านว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้คือบุคคลที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเกิดของท่าน พระโพธิสัตว์นี้มีเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดสิ้นไปทุกภพทุกชาติที่มาเกิดจึงมุ่งไปที่การกำจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการบำเพ็ญบารมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมี เนคัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่คือบารมีสิบชนิดด้วยกันที่ผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญ ในแต่ละภพในแต่ละชาติจนกว่าบา ร, รมีทั้งสิบข้อนี้สมบูรณ์จึงจะสามารถที่จะมาตัดสรู้เป็นพระอรหันตะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าได้เนี่อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ก็ทรงเล่าประวัติในของพระองค์ในช่วงที่ทรงสร้างบา ร, รมีต่างๆ ที่เราเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติเนี่ยพระเจ้าสิบชาติก็คือชาติแต่ละชาติของของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตับสัลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละชาติแ้แต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์ก็จะพาให้ท่านได้บำเพ็ญบารมีชนิดต่างๆ เป็นพระมาหาชนกว่ามีเหตุการณ์บังคับให้ต้องมีความเพียรมีวิริยะบารมีลอยคออยู่กลางทะเลก็ต้องขยันว่ายน้ำถ้าไม่ไว่ายก็ต้องจมมาเกิดเป็นประตจะสันดอนก็มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็บำเพ็ญทานบารมี บำเพ็ญเมตตาบารมีจนในที่สุดก็มาถึงชาติสุดท้ายคือมาเกิดเป็นเจ้าชายเศรษฐามาได้รับสารจากเทวทูตจากมาลับมาได้รับสารจากอาของเทพวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตส่งส่งทูตมา ส่งสารมาให้ในรูปแบบของคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชนี่เรียกว่าเทวทูตสคือตัวแทนหรือผู้ที่นำข่าวสารจากพระวิสุทธิเทพคือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติในอดี ต, ต, า ต, ด ต, ตการส่งสารมาบอกให้พระโพธิสัตว คือเจ้าชายสิทธัตถะให้รับรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องไปเจริญปัญญาบารมีบารมีอื่นๆได้เจริญมาอย่างโชคโชนแล้วถึงเวลาที่จะนำเอาบารมีเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นเหมือนอาหารตอนนี้ไปหา ผักหาเนื้อหาอะไรต่างๆมาเตรียมทำอาหารได้ครบแล้วถึงเวลาที่จะต้องเข้าโรงครัวเข้าไปหุงต้มอาหารแล้ว เ, เลยส่งเทวทูตสี่มาเตือนอพอเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นเทวทูตสี่ก็รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องออกบวชถึงเวลาเข้าโรงครัว โรงครัวของวิมุตติอาหารคือรถแห่งธรรมที่ชะนะรถทั้งปวงนี่จะต้องมีโรงครัวให้ผลิตอาหารโรงครัวที่จะผลิตอาหารนี้ก็คือการไปเป็นนักบวชนี่การไปบวชเป็นนักบวชเมื่อได้เห็นเทวทูตสี่ก็ส่ง รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องสละราชสมบัติเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนที่ได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสขึ้นมาส่งรู้ว่านี่คือเลิกยามที่จะต้องไปเพราะถ้าอยู่ก็จะไปไม่ได้เพราะลูกนี้ก็เป็นเหมือนบ่วง ที่จะรัดใจของพ่อของแม่ไม่ให้ทอดทิ้งลูกให้อยู่ใกล้ลูกดูแลลูกก็เลยไม่ไปดูหน้าลูกเพียงแต่รู้ว่ามีลูกแต่ไม่เคยเห็นหน้าลูกก็ตัดสินพระไทยหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเพื่อที่จะได้ไปเข้าครัวเพื่อไปประกอบอาหารคือทา ทที่เป็นรถอันวิเศษที่เหนือกว่ารถทั้งปวงคือรถของวิมุตตินี่นี่คือการมาเกิดมาตัสรูการมาโปรดสัตว์ของพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากที่บวชและได้บำเพ็ญอยู่หกปีก็สามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบเหตุที่จะพาให้จิตใจที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพ คือการมาพบรูปรพบและอรูปรพบหลังจากที่ได้ทรงหลุดแล้วก็มีความเมตตาต่อสัตว์โลกทรงอุทิศเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อีก45ปีมาช่วยสัตว์โลกที่อยากจะได้วิมุตติทรงมาสอนสัตว์โลก ทุกวันวันละสามสี่ครั้งด้วยกันเช่นยามบ่ายก็สอนสัาาตธาญาิโยมยามค่ำก็สอนพวกนักบวชภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรสามเณรียามดึกก็โปรดพวกเทวดายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตโปรดสัต์ก็เล็งยานดูว่า มีผู้ใดสมควรที่จะได้รับการเมตตาให้ธรรมะในวันนั้นก็จะส่งมุ่งไปให้กับบุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษไป น, นี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหลังจากที่ได้ตัดจารุปเป็นพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าแล้ว มีห้าอย่างเรียกว่าพุทธกิจห้าบิณฑบาตยามเช้ายามบ่ายสอนสัทธาญาติโยมยามค่ำสอนภิกษุภิกษุณียามดึกสอนเทวดายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตเล่งญาณดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นเพื่อให้เขาได้รับวิมุตติ เพราะเขาอาจจะเป็นเหมือนบัวเหนือน้ำแล้วเพียงแต่ขาดแสงสว่างของดวงอาทิตย์คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสามารถบอบให้กับเขาได้พอไปโปรดแสดงทมให้กับเขาฝังในวันนั้นเขาก็หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ถึงแม้จะมีบา ร, รมีต่างๆแต่ถ้าขาดบา ร, รมีสุดท้ายคือปัญญาบา ร, รมีที่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมใจที่พร้อมที่จะบานก็จะบานไม่ได้เหมือนกับดอกบัวที่จะบานถ้าไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานไม่ได้ นี่คือเรื่องของบุคคลที่พิเศษที่สุดในโลกที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาได้ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยกองทุกข์ที่เกิด กับพวกเราทุกวันไม่มีวันหมดไปไม่ว่าเราจะทำอะไรต่อให้เราหาเงินมากองเท่าภูเขาความทุกข์ใจไม่สบายใจก็ยังจะไม่หายไปต่อให้ได้เป็นนายกกี่ร้อยครั้งมันก็ยังไม่หายไปต่อให้ได้รางวัลเหรียญทองร้อยเหรียญตอนนี้แข่งใบคว้ามาหมดเลยเอาคนเดียวหมดเลยความทุกข์มันก็ยังไม่หายไป ต่ให้เราไปเที่ยวรอบโลกไปกินไปเดิมอาหารชนิดต่างๆเครื่องเดิมชนิดต่างๆที่ที่มีหลากหลายที่มีอยู่ในโลกนี้กินไปเท่าไหร่ดูไปเท่าไหร่ฟังไปเท่าไหร่ความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจมันก็ยังไม่หายไปดังนั้นพวกเราอย่าเสียเวลาไปหาสิ่งเหล่านี้กันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษด้วยว่ามันเป็นตัวที่จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเสพแล้วมันจะติดและเวลาไม่ได้เสพมันจะทรมานใจมันจะทำให้เราจะต้องกลับมาเสพมันอยู่เรื่อยๆตายจากชาตินี้ไป ก็จะกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเพราะเราติดกับความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอร่างกายนี้ที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสมันตายไป เราก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราพอเราได้รับร่างกายมาพอเราโตสามารถที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็ไปกันทันทีไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอก มีแต่ต้องคอยห้ามว่าอย่าไปชิงสุขก่อนห้ามบางทียังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบกับภาระที่จะตามมาเช่นไปมีครอบครัวถ้ายังไม่โตพอยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไปมีครอบครัวแล้วใครจะเลี้ยงก็ต้องมาให้พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูอีก เราจะเพิ่มภาระให้กับพ่อแม่แทนที่จะปลดเบื้องภาระกลับมาสร้างภาระให้กับพ่อแม่เพิ่มขึ้นเพราะ อ, อำนาจของความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองพวกเราจึงควรเห็นโทษของการที่เรามาเราไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกัน เราจะไม่คิดว่ามันเป็นโทษต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาสอนมาบอกพวกเราให้รู้ว่ารากยสสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นทุกข์เนมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือหมดไปความสุขที่ได้ก็เปลี่ยนไปหมดไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เสมอแล้วยังแล้วยังติดกับมันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะหมดมันจะทําให้ทุกข์พอหายทุกข์ก็ลืมมันไม่เข็ดกลับมาหามันใหม่กลับมาหามันอยู่ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วการที่พวกเรากลับมาหาราลบยศสรรเสริญด้วยการมาเกิดใหม่นี่ท่านบอกว่าเรามาเกิดกันนี่ มากกว่าแสนล้านครั้งถ้าอยากจะรู้ว่ามากขนาดไหนก็ให้เอาน้าตาที่เราหลั่งกันในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดทุกคนไม่ปฏิเสธจะแม้ว่ามีน้ำตากันต้องร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเนี่ยน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วมันมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทร กิดดูกันแล้วกันว่าจะต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรและมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมีวันที่สุดสิ้นสุดได้ก็ต้องวันที่เรามาเจอพระรัตนตรัยนั่นเองซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอย่างพวกเรานี้โชคดีเนี่ย นี่เหมือนกับถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะการถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งเช่นวันนี้ใช่ไหมวันออกเนี่ยวันนี้ดูใครจะถูกรอตอรี่รา ง, งวัลที่หนึ่งกันบ้างไม่มีใครคาดฝันว่าจะถูกกันนะเพราะรู้ว่าโอกาสที่มันจะถูกนี้มันไม่ง่ายเลยไม่มีใครอยากจะคิดถึงมันอยาก การมาเกิดมาเจอพระรัตนตัยนี้มันก็ยิ่งยากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซะอีกดังนั้นการที่เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเราโชคมหาศาลโชคมากกว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกและรางวัลที่เราได้รับจากพระรัตนตรัย มันก็ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลที่เราจะได้รับจากรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละพวกเราถ้าเราไม่มาฟังธรรมกันแล้วพวกเราจะไม่รู้ว่าพวกเหล่านี้เป็นผู้โชคดีเป็นผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการมาตรวจลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่แล้วต้องหาที่ตรวจกันใช่ไหม ไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้แล้วโยนทิ้งไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องไปหาที่ตรวจลอตเตอรี่กันนะไปฟังธรรมของลอตเตอรี่ไปดูเลขของลอตเตอรี่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการมาฟังธรรมนี่เป็นเหมือนกับการมาตรวจลอตเตอรี่พอมาฟังธรรมปั๊บก็จะร้องโอ้ยดีใจเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราได้มาเจอพระรัตนตรัยแล้ว เราได้พบอัญญมามณีอันมีค่าที่ไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับอัญญมามณีอันนี้ที่ไม่ที่สามารถซื้อในสิ่งที่ไม่มีในอะไรในโลกนี้ซื้อสามารถซื้อได้สิ่งที่สามารถซื้อได้ก็คือวิมุตตินี่เองการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะได้จากพระพุทธศาสนาเพียงแหล่งเดียวไม่มีแหล่งอื่นที่จะสามารถ มอบวิมุติให้กับพวกเราได้นี่แหละคือโชคของพวกเราและคุณค่าอันมหาศารของพระรัตนตรยัยที่พวกเราได้พบกันวิธีที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระรัตนตรัยเราจะต้องทําอย่างไรเราก็ต้องทำด้วยการศึกษา คำสั่งคำสอนของพ่อระพุทธเจ้าที่จะสอนจะบอกวิธีให้พวกเราไปขึ้นรางวัลกันถ้าเราถูกกระตอลลี่รางวัลที่หนึ่งวันนี้เราจะทำอะไรเราต้องถามคนขายแล้วว่าทายังไงถึงจะได้รับรางวัลคนขายบอกว่าต้องไปกองสลากนุนเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายให้เราคนขายขก็จะแนะนำว่าจะต้องเอาเอกสารอะไรไป ไหรีบถ่ายรูปไว้เก็บไว้ก่อนยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้เดี๋ยวเกิดหายไปหรือถูกขายเข้ามาป้นมาจี้ไปเรายังสามารถที่จะมีหลักฐานยืนยันว่านี่เราเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้ใย ว, วันก่อนให้ลอตเตอรี่ญาติโยมไปห้าใบถ่ายรูปกันเก็บไว้ก่อน มีศรัทธาญาโยมคนหนึ่งเขามาทำบุญด้วยการถวายลอตเตอรี่ห้าใบเราก็เลยจากญาโยมที่มาช่วยทำงานมาช่วยทำถ่ายทอดสดเนี่ยมาช่วยจัดระบบเสียงระบบอะไรต่างๆ <c oughs> <c oughs> พอเขาได้รับไปเขาเรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อ น, น, น นี่คือวิธีขั้นตอนของการที่จะไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันมีขั้นมีตอนไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาจำไหมเราเคยได้ยินข่าวไหมเนี่ยมีคนมาย่างรางวัลที่หนึ่งกันอันนี้ถ้าเรามีขั้นตอนที่วัดกลุ่มที่ปลอดไปเราก็จะสามารถรักษารางวัลที่หนึ่งของเราได้ฉันใดพวกเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้ว คือมีสิทธิที่จะไปรับวิมุตติแล้วรางวัลที่หนึ่งก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงอันนี้เราต้องศึกษาวิธีที่เราจะไปรับรางวัลด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ถ้าฟังไปเรื่อยเราก็จะได้รู้ขั้นตอนต่างๆของการที่จะไปขึ้นรางวัล ธรรมะนี้มีหลากหลายมีหลายมิติหลายด้านหลายมุมด้วยกันจําเป็นที่จะต้องฟังบ่อยๆฟังหลายครั้งถึงจะฟังได้ครบถ้วนเพราะเราแต่ละครั้งที่เราฟังนี้เราฟังได้เพียงส่วนหนึ่งเพราะเวลาเรามีไม่มากพอที่จะมาเล่ามาบอกทุกขั้นทุกตอนได้หมด ก็ไลยมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันฟังธรรมขึ้นมาเรียกว่าวันธรรมวันะวันธรรมวันะเราก็เรียกว่าวันพระนี่เองอาทิตย์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามาฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งมาตรวจลอตเตอรี่กันสักครั้งหนึ่ง มาเรียนวิธีขั้นตอนของการไปขึ้นนังวันกันสักครั้งหนึ่งไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหลงจะลืมกันต้องฟังทำอยู่เรื่อยๆการฟังทำ ต, ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้จิตใจของพวกเราได้วิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง จังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำในการไปขึ้นรางวัลคือวิมุตติคือเราต้องศึกษาวิธีที่จะทำให้เราได้รับรางวัลคือถึงแม้จะถูกลอตเตอรี่ถ้าเราไม่ไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็เป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเราต้องการเอาลอตเตอรี่นี้ไปแลกเป็นรางวัลมา อัในใดการที่เราได้มาพบกับพระรัตนาไตรก็เป็นเหมือนกับการที่เราตรวจลอตเตอรี่ของเราและพบว่าเราได้ถูก ร, รางวัลที่หนึ่งขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาลอตเตอรี่ที่เราถูกนี่ไปขึ้นรางวัลด้วยการไปฟังขั้นตอนของการขึ้นรางวัลของวิมุตติว่าต้องขึ้นอย่างไรกัน กันแรกก็ศึกษาวิธีที่จะทำให้เรารับรางวัล น, นี้ได้พอศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปปฏิบัติทำตามที่เราได้ศึกษาขั้นตอนต่างๆขั้นตอนแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไปขึ้นรางวัลวิมุตติกันก็คือให้เรามีความมากน้อย คืออยากไปโลภอยากได้อะไรต่างๆในโลกนี้มันเป็นยาเสพติดมันไม่ใช่เป็นวิมุตติมันเป็นตัวที่จะเป็นตะขอตขอเบ็ดที่จะเกี่ยวใจของพวกเราให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เรามากน้อยต่อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นคือให้เรายินดี มีสิ่งที่จําเป็นคือปัจจัยปัจใจสี่เท่านั้นนี่คือความหมายของคา ม, มักน้อยเอาแค่ปัจใจสี่ปัจใจห้าปัจใจหกนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีลูกเสียงกิดรดมาให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วติดแล้วจะทําให้ไปขึ้นรางวัลไม่ได้ เห็นขอให้เรามาละการหาลาบยศสรรเสริญด้วยการมีความมักน้อยต้องการเพียงแต่สิ่งที่จําเป็นสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยของหรูหราของที่ไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพอย่าไปมีมันมีแล้วมันจะกลายเป็นบ่วงที่จะรัดเรา ทำให้เราไม่สามารถไปขึ้นรางวัลวิมุตติได้ขนะันแรกให้หัดมีความมักน้อยอย่าอยากได้นูน่นอยากมีนีนะ่ได้มาแล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดวิมุตติมันมีแต่ะทําทำให้เกิดาการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนะนะนะนี่คือข้อที่หนึ่งมักน้อยในให้มีความยินดีเพียงปัจจัยสี่ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของความมาักน้อยพระพุทธเจ้านี้มีสมบัติเพียงแปดชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัฏฐบริขารมีบาทหนึ่งใบไว้เป็นเครื่องมือหากินตอนเช้าอุ้มบาทเข้าไปในบ้านก็ได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วให้ถือผ้าสามผืนหนึ่งชุด พอแล้วมีผ้านุ่งหนึ่งตัวหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าไตรจีวรสามผืนนี้ก็เป็นพอเพียงกับปัจจัยคือเครื่องนุ่งห่มอาหารก็คือบาท1หนึ่งใบที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างนี่คือ ปัจใจสี่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อัฐบริขารมีอยู่สี่ชิ้นละบาทหนึ่งใบผ้าสามผืนมีดกนมีเอาไว้สำหรับปลงผมปรงหนวดห้าห้าชิ้นชิ้นที่หก็คือเข็มกัดได้เอาไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลาขาดชิ้นที่เจ็ดก็คือ ประคตเอวคือเข็มขัดรัดเอวผ้าสมัยก่อนไม่มีซิปไม่มีกระดุมมีแต่เป็นผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วต้องมีผ้ารัดเอวไม่งั้นเดี๋ยวผ้าหลุดโ <c oughs> ดนบินทบาดเดี๋ยว <c oughs> กางว่านนะยุ่ง <c oughs> นะแล้วสุดท้ายก็คือ สมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือที่กรองน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำขวดน้ำบริสุทธต้องตักน้ำในลําห้วยลาทานที่อาจจะมีตัวสัตว์มีตัวลูกน้ำมีอะไรต่างๆจึงต้องมีที่ตักน้ำที่มีที่กรองเวลาตักขึ้นมาจะไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นี่แหละคือความมักน้อยของพระพุทธเจ้ามีเท่านี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ได้แล้วถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทางธรรมเป็นมีลูกศิษย์ระดับพระราชามหากร์ที่จะเอาเข้าวของอะไรต่างๆมาถวายให้มากมายกายกองแต่พระองค์ไม่เคยยินดีกับสิ่งต่างๆที่เขามาถวายเลยถึงแม้เขาจะมาถวายก็รับเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจ แต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะเอาไปทำประโยชน์ก่อผู้อื่นต่อไปเอาไปทำบุญทำทานต่างๆสำหรับตัวท่านเองท่านเอาแค่อัตถะบริขารพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์ก็ทำเหมือนกันเอาแค่อัตถบริขารมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายไปดูกุติท่านท่า น, านมีอะไรบ้าง ทางก็มีแค่อัถบริการ น, นี่เท่านั้นเองเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ น, นี่คือตัวอย่างของความมาักน้อยสำหรับผู้ที่อยากจะได้วิมุตติอย่าไปเสียเวลาหาของอะไรที่ไม่ได้มาทำให้เราได้วิมุตติเลยมันจะเป็นแต่อุปสรรค อาจเป็นภาระที่เราต้องแบกหามกันให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆคนที่จะไปรับวิมุตติได้นี้ต้องมักน้อยได้เอาเท่าที่เท่าที่จำเป็นเพราะผู้ที่จะไปรับวิมุตติก็คือต้องไปเป็นนักบวชนั่นเองไปอยู่แบบนักบวชถ้ายังเป็นผู้คองเรือน ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นี่ไปไม่ได้เป็นเหมือนพวกติดยาเสพติดพวกติดยาเสพติดนี่มาขอบวชบวชไม่ได้เขาไม่ให้บวชเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก่อนจะมาบวชเขาให้ไปตรวจเลือดก่อนดูว่าในเลือดมีสารเสพติดมีมีเชื้ออะไรต่างๆหรือไม่ถ้ามีเขาไม่ให้บวชกันเดี๋ยวมาบวชเป็นพระแล้วแอบมาเสพยาเสพติดในวัดเดี๋ยวก็ยุ่ง ทำให้เกิด ป, ป, ปัญหากับวัดขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าอยากจะไปรับรางวัลคือวิมุตตินี่เราจะต้องหัดมักน้อยกันพยายามอยู่เอาเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอทอี่ว่าใสา่พอลบดดหลบผลได้ก็พอไม่ต้องซื้อก็ได้เช่าก็ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีซื้อมาทำไม เช่ามันไปตามมีตามเกิดอาหารก็กินไปตามมีตามกำลังของเราอาหารมือละห้าร้อยหรือมือละห้าสิบมันก็อิ่มเหมือนกันกินข้างถนนหรือกินในโรงแรมมันก็อิ่มเหมือนกันเะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินทองมากไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรที่แตกต่างกัน เพราะมันจะทำให้เราต้องเสียเวลากับการหาเงินทองมาใช้กับของฟุ่มเฟือยกับของแพงๆต่างๆนั่นเองเอาเวลามาไปรับรางวัลดีกว่ากันดีกว่าขั้นที่หนึ่งให้เรามีความมากน้อยขั้นที่สองให้เรามีความสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็กพอใจ อย่าไปเสียใจอย่าไปโลภมากถ้าอยากได้มากพอได้น้อยก็จะเสียใจถ้ามีสันโดษแล้วจะไม่เสียใจได้มากก็ก็พอใจได้น้อยก็พอใจล้วก็ใช้ตามมีตามเกิดไปขอให้อยู่ได้ก็พอถ้าอยู่ไม่ได้ก็คิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องตาย ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วมีเวลาตายด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาที่เราตายก็ถือว่ามันเป็นเวลาของเราแล้วนี่คือความสันโดษแล้วจะไม่วุ่นวายกับการอยู่การหาอยู่หากินหาได้มากหาได้น้อยก็ยินดีมีความสุขไม่ต้องมาทุกมาวุ่นวายกันข้อที่สาม ให้เรายินดีกับการอยู่คนเดียวปรีกวิเวกต้องชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่ในที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยทำให้จิตสงบทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตนี้สงบตัวลงได้ต้องอาศัยที่สงบสงัดวิเวกเรียกว่าเปรีกวิเวกกายวิเวก กายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกกายก็คือสถานที่ที่เราอยู่ให้มันสงบสงัดอย่างบนเขานี่เนี่ยผู้ที่อยากจะรับวิมุตตินี่มาอยู่บนเขานี่ญาโยมาจะมองไม่เห็นเนาะแต่บนเขานี้ ม, มีพาะทัง้งยี่สิบกรูปแต่ท่านไม่โผล่มาท่านไปปีกวิเวกกันท่าน ต, ตอนนี้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกันคนเดียว จะออกมาก็ช่วงที่ต้องมาช่วยกันปัดกวาดลานวันดหรือมาร่วมทำภารกิจเช่นบินทบาตขบฉันเท่านั้นนอกกนั้ น, น, นท่านจะเปรีกวิเวกกันไปทำใจให้สงบเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดวิมุตติขึ้นมาวิมุตติอยู่ที่ความสงบของใจถ้าใจสงบความทุกข์มันก็จะออกมาเพ่นพ่านไม่ได้ ความทุกข์มันจะมากับความคิดปรุงแต่งต่างๆเวลาเราคิดแล้วรู้สึกหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาทันทีคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้แล้วเป็นยังไงหนักอกหนักใจพอหยุดคิดได้เบา อ, อกเบาใจขึ้นมาต้องปรีกวิเวกกายต้องวิเวกแล้วจิตจะวิเวกจิตจะสงบได้ต้องอาศัยกายวิเวกนี่คือ ขั้นตอนขั้นที่สามที่เราต้องฝึกกันให้ได้หัดทำกันเบื้องต้นก็นหัดมากน้อยตอนนี้หยุดซื้อเสื้อผ้าได้แล้วพอใช้แล้วไม่ใช่เหรอเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรต่างๆถ้ามันขาดมันไม่พอใช้ซื้อใหม่ได้แต่ถ้ามันพอใช้แล้วอย่าไปซื้อมาซื้อวิมุตติดีกว่าไปซื้อยาเสพติดไปมาซื้อวิมุตติดด้วยความมากน้อยนะครับ ใช้น้อยๆกินน้อยๆนอนน้อยๆเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมาซื้อวิมุตติกันด้วยการไปปีกวิเวกกันปีกวิเวกแล้วก็ไม่ต้องไม่คุกกีกันด้วยบางทีไปปีกวิเวกในวัดมันก็อาจจะต้องมาพบปะกันบ้างเช่นเวลามาทำกิจร่วมกัน ก็ให้มาพบปะกันแต่อยามาสังสรครค์กันอยามาคลุกคลีกันอยามาสังคมกันมาทํากิจต่างคนก็ต่างทํากันผู้ที่ปฏิบัตินี้มักจะไม่คุยกันเวลาที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกันในสมัยพุทธกาลนี้มีพระท่านปฏิบัติท่านไม่พูดไม่คุยกันเวลาท่านมาบิณฑบาตมาขบฉันมาปัดกวาดญาโยมสงสัยว่าพระพวกนี้โกรธกันหรือเปล่า ก็ถามพระว่ไม่ได้โกรธกันหรอกแต่เป็นการสํมรวมกายวาจาใจให้สงบเพราะเวลาคุกคีกันเวลาพูดคุยกันแนละ้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้เห็นต่างคนต่างอย่ายุ่งกันดีกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเรียกว่าไม่คุกคีกัน ดูแลกันช่วยเหลือกันถ้ามีเหตุที่จะต้องมาทำกิจร่วมกันเช่นถึงเวลาจะต้องมาปัดกวาดลานวัดถึงเวลาจะต้องมาทำความสะอาดสถานที่ก็มาร่วมกันทำแต่ต่างคนก็ตา่างทำกันด้วยการมีการสำรวมกายวาจาใจไม่ไม่ให้พูดไม่ให้คุยกันเพื่อจะรักษาความสงบของใจที่เป็นที่ตั้งของวิมุตตินั่นเองคือการหลุดพ้น จึงต้องไม่คลุกคี้กันข้อที่สี่ข้อที่ห้าต้องมีความเพียรพยายามเพียรพยายามสร้างทำที่จะมาทําให้จิตหลุดพ้นทําให้จิตสงบไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆต้องเพียรตั้งแต่ตื่นจนหลับนพระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุนี้นอนเพียงคืนละสี่ชั่วโมง นอนตอนสี่ 2, ทุ่มถึงสองตีสองหรือหทุ่มถึงตีสาช่วงก่อนยกนอกนั้นให้เป็นช่วงปฏิบัติหมดพอตื่นขึ้นมาก็ให้เจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมจนถึงเวลาออกบินทบาทก็บินทบาทด้วยการเจริญสติมีสติอยู่กับการเดิน บินบาศกลับมาวัดมาขบฉันก็ให้มีสติอยู่กับการขบฉันอันนี้เป็นการปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ได้ปฏิไม่ได้แบบขบฉันแล้วก็ใจลอยคิดถึงอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่คิดอย่างนั้นให้มีสติอยู่กับการขบการฉันพิจารณาอาหารให้เป็นปฏิกูลเพื่อกำจัดไฟนรกคือตัณหาความอยากในรสชาติของอาหาร ปฏิบัติไปขณะที่ทากิจจำเป็นแล้วพอเสร็จภารกิจจากการขบฉันก็ให้ปีกวิเวกกลับไปอยู่ที่พักของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาบ่ายถึงเวลาที่จะปัดกวาดลานวัดก็ออกมาช่วยกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วถ้ามีน้ำปานะให้ดืม่มก็ดื่มกันไปดื่มเสร็จก็แยกกันไปกลับไป สงน้ำแล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติต่อเดินโย ก, กรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาจะเข้าพักผ่อนหลับนอนนี่แหละเรียกว่าความเพียรของผู้ที่จะไปรับรางวัลไม่มุติไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีความเพียรเลยยกเว้นเวลาดับเท่านั้นที่ทำไม่ได้แต่พอเวลาตื่นขึ้นมานี่ต้องยกอาวุธสำคัญขึ้นมาทันทีอาวุธที่สาคัญก็คือสตินี่ ต้องมีสติตลอดเวลาสติจําเป็นในทุกกรณีขาสติแล้วถือว่าไม่ได้ทําความเพียรถึงแม้จะเดินจงกรมหรือแม้จะนั่งสมาธิแต่ปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถือว่าไม่ได้ทําความเพียรไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําใจให้สงบ ใจจะสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปุ่มแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความเพียราะทำความเพียรเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเพียรรักษาศีลเพราะถ้าไม่รักษาศีลนลเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทำทำบาปทำผิดก็จะต้องไปถูกจับไปลงโทษ ก็จะไม่ได้มีเวลามาปฏิบัติต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลของตนถ้ายังไม่มีศีลก็หัดรักษาเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนศีลหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ต้องศีลห้าถ้ายังไม่มีศีลเลยมีสิก็เอาศีลข้อที่หนึ่งก่อนเลือกเอาแล้วก็เพิ่มไปทีละข้อเดี๋ยวก็ได้ห้าข้อเอง ห้าข้อต่อไปก็เพิ่มเป็นศีลแปดศีลแปดแล้วก็เป็นศีลสิบแล้วก็เป็นศีลสองร้อยิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดอันนี้คือศีลของผู้ที่จะไปรับรังวัลต้องมีศีลเป็นผู้มาสนับสนุนสมาธิพอเพียงพอมีศีลแล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนสร้างสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติ สติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมานั่นเองถ้าเป็นเรือก็ต้องมีสมอเรือถ้าเรือไม่ทอดสมอเรือเรือมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าไม่ทอดสมอเรือก็ต้องผูกไว้กับท่าเรือถ้าไม่ผูกไว้มันก็จะลอยกรรมฐานนี้เป็นเหมือนสมอเรือของใจเป็นเหมือนท่าเรือของใจ ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งใจสงบจําเป็นจะต้องมีกรรมฐานไว้ผูกใจเอาไว้กรรมฐานก็มี4ี่สิบชนิดด้วยกันแต่เวลาเราใช้เราใช้เพียงชนิดเดียวแต่แต่ละครั้งเช่นเราอาจจะใช้พุทธานุสติอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งก็ให้เราเลือกถึงพระพุทธคุณมีสองแบบด้วยกันคือเราเลือกด้วยการสวดบทพุทธคุณอิติปิโส หรือจะระลึกด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับกรรมฐานก็แสดงว่าเรามีกรรมฐานผูกจิตไว้จิตก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นะเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ต้องมีกรรมฐานไว้คอยผูกไว้ถ้าไม่ผูกเดี๋ยวจิตมันจะย้ายไปย้ายมาคิดนูน่นคิดนี่สร้างเรื่องนูน่นสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาหลอกหลอกเราได้ แต่ถ้ามีกรรมฐานมีสติมันจะไม่สามารถผลิตอะไรมาหลอกเราได้มันจะสงบเพียงอย่างเดียวนี่คือวิธีการทำสมาธิจำเป็นที่จะต้องมีมีสติมีกรรมฐานจะมีสติได้ก็ต้องมีกรรมฐานเราต้องมีกรรมฐานก่อนที่จะมานั่งถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งนั่งนั่งก็ไม่บประโยชน์อะไร ่งแล้วเดี๋ยวใจก็ลอยไปลอยมาต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งฝึกได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้ น, นมาจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็เอาสติเอากรรมฐานไปด้วยพุโทโธไปในใจอาบน้ำไปก็พุโทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธอาบน้ําอาบทาก็พุทโธนี่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะเรามีช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกันอย่าปล่อยให้มันคิดผูกมันไว้ดีกว่าผูกมันไว้กับกรรมฐานเพื่อมันจะได้มีสติแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้ถ้าเราไม่ฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี่นั่งไปเถิด นั่งไม่ได้หรอกดีไม่ดีนั่งได้แค่ห้านาทีก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาแล้วอยากจะลุกขึ้นมาแล้วเพราะจิตมันมีตันหาความอยากชนิดต่างๆดันอยู่ด้วยนั่นเองมันเลยทําให้เรารู้สึกอึดอัดนั่งไม่ได้เพราะเราไม่มีสติคอยดันกิเลสตันหาให้กลับเข้าไปข้างในถ้าเราฝึกสติอยู่บ่อยๆสติเราจะมีกําลังมาก เวลานั่งนี้สามารถดันให้กิเลสตัณหานี้มันสงบตัวไม่ให้มาสร้างความอึดอัดลาคาญใจได้เราก็จะนั่งได้อย่างสบายและจะสงบได้ดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธินี้ต้องฝึกสติให้มากๆก่อนให้มีสติคอยกำกับคอยควบคุมใจได้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายและสงบได้งานได้นาน แล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งจากการนั่งสมาธิเนี่พอได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็มาเพียนสร้างปัญญาปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะมาสอนมาบอกว่าอะไรเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลามันโผล่ขึ้นมาก็สอนวิธีที่จะกำจัดมันเวลามี ความอยากเนี่ยตัวที่ทําให้เราทุกข์กันนี้พระเจ้าบอกคือความอยากต่างๆอยากดูอยากมีอยากฟังอยากเป็นนั่นอยากมีนี่เนี่ยพอมันโผล่ขึ้นมาใจเราจะไม่สบายขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้มันหายไปเราต้องมองสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรอยากได้เพราะมันเป็นความสุขเครือบความทุกข์เป็นเหมือนยาขมเครือบน้ําตาล สุขเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะไรมาก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือมันหมดไปพอเปลี่ยนไปหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นใจรักในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้แล้วมันจะทำให้ไม่อยากได้ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นยาพิษเราอยากจะเอาไหมถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นระเบิดเวลาเป็นลูกระเบิดเราอยากได้หรือเปล่า แต่เราไม่เห็นกันเพราะมันถูกเขาห่อด้วยกล่องอย่างสวยงามแล้วเขียนว่าเป็นขนมเขียนเป็นของดีมีราคาแต่พอเปิดก็มามันระเบิดใจเราอันนี้ก็เหมือนกันต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นราบยศสนเสริญความสุขจากมื้เสียงเกล็ดนรดต่างๆนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น เครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นตายรักคือร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงอย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากใช้มันอย่าไปยุ่งกับมันโพูดง่ายๆอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าพอเรามีสมาธิเราก็มีทางเลือกเมื่อก่อนเราไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่ามันทุกข์ก็ยังสุยอมทุกขอย่างน้อยก็ยังมีสุขบ้าง เหมือนเหมือนยาขมที่เคลือบน้าตาลถึงแม้มันจะขมก็อย่างน้อยก็ยังมีรสหวานอยู่บ้างแต่พอเราได้ความสุขจากสมาธิที่เป็นรสหวานทั้งแท่งแน้วทีนี้ Daniel, เราก็ไม่ต้องไปเอายาเคลือบยาเอาน้ำตาลเคลือบยา injected, ขมมาอมอ ม, อมสมาธิดีดกว่าอมความสุขที่เป็นความสุขทั้งแท่งดีกว่าเราก็จะเลิก <laughs> <laughs> ความอยากต่าง <laughs> ๆได้พอเลิกความอยากต่างๆได้ ตัวที่พาให้เราไปหาความทุกข์ก็หายไปหมดจิตเราก็หลุดพ้นวิมุตติปรากฏขึ้นมาทันทีนี่แหละคือการขึ้นรางวัลต่างๆร า, ง, า ง, งวัลคือวิมุตติด้วยการศึกษาวิธีการที่จะทำให้เราได้รับรางวัลคือวิมุตติจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือหนึ่งให้เรามีความมากน้อยสองมีสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดสามให้เราปลีกวิเวกสีไม่ให้คุกคีกันไม่ให้สังคมกันห้าให้มีความเพียรพยายามปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญาถ้าเรามีทมเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าวิมุตติจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากญาติโยมในวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปับปติอิชิตังปฏทตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโต สัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณนีโชติอระโสยะาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโน ตาโรธรมะวะทาทันติอายุวันโอสุขังภาลาลำดับต่อไนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพียงช่วงเดียวหลังจากปิดไมยแล้วก็จบ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านติดตามมาเท่าไหร่สายทูจ้าค่ะยอดเฟ e b o o k วันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าท่านค่ะ y o u t u สองร้อยสามสิบเก้าท่านค่ะวิทยุสิบแปดท่านผู้รับฟังบนเขาวันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบสามท่านารวมเป็นเจ็ดร้อยเก้าท่านค่ะก็โดยเฉลีย่ยก็วันละเจ็ดร้อย ทั้งทางบ้านทั้งที่มานี่ก็มีคําถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากคุณเทพพรค่ะต้องทํางานกับหัวหน้างานที่โมโหร้ายชอบใช้คําพูดทําร้ายจิตใจควรปฏิบัติตนอย่างไรครับก็ทําใจเท่านั้นนะ่ะเขาเป็นนายเราเราเป็นลูกน้องเขาอล <c oughs> ยงั้นก็แยกทางกันไปคนละทางหางานใหม่ ต่อยู่ในโลกนี้มันเลือกไม่ได้หรอกของพวกนี้มันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสบางทีก็เจอคนใจดีบางคนก็เจอคนใจร้ายแต่เรานี่สามารถที่จะปรับใจเราให้รับกับทุกสภาพได้ถ้าเรารู้จักวิธีปรับวิธีปรับก็คือสันโดษเนี่ยยินดีตามมีตามเกิดดีก็ได้ร้ายก็ได้ขอให้มีเงินเดือนจก็แล้วกัน คำถามจากคุณยอดฮิตค่ะกระผมนั่งสมาธิแล้วพอนั่งไปสักพักตัวเริ่มงอและใจวอกแวกต้องเริ่มตั้งสมาธิใหม่ทุกครั้งผมเลยเปลี่ยนมานั่งพิงฝาผนังตอนนี้รู้สึกดีและจิตใจสงบแล้วก็นั่งได้นานกว่าเดิมอยากทราบว่าการที่เรานั่งพิงฝาผนังเนี่ยผิดหรือเปล่าครับถ้ามันได้ผลก็ไม่เป็นปัญหากลัวว่ามันหนึ่งมันจะหลับ สองแล้วถ้าต่อไปไปนั่งที่ไม่มีฝาอย่าทำยังไง <laughs> <laughs> มันมีปัญหาตามมาพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีฝานั่ง <laughs> แล้มอาศัยพิงต้นโพอยู่ก็ไม่รู้นะเ <laughs> <laughs> <laughs> ขาไม่ได้บอกในตำรา <laughs> คำถามจากคุณตุ้มค่ะ กระผมนั่งสมาธิมานานแล้วแต่ทำไมไม่ได้สมาธิไม่ทราบว่าติดตรงไหนพระอาจารย์มีวิธีแก้ไขไหมครับผมไม่มีสติไงไม่มีพุทโธไม่มีลมหายใจนั่งเฉยเฉยไม่มีวันสงบได้ต้องใช้พุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปทิ้งไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้มันถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ที่ไม่มีพุทโธหรือไม่ดูลมหายใจได้เพราะไม่ฝึกมาก่อน ไม่ฝึกตั้งแต่ก่อนที่จะมานั่งต้องมันฝึกพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราให้พุโทโธพุธโทโธดึงความคิดไว้อยากให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมานั่งเราก็จะได้ควบคุมความคิดไว้ได้แล้วมันก็จะสงบได้คำถามฝากถามค่ะ ตั้งใจถวายมาลัยกับพระสงฆ์แต่ยังไม่ทันวางถึงบาทท่านพอดีลูกศิษย์ท่านคว้าไปเก็บซะก่อนเรียนถามว่าเราจะได้บุญจากการตั้งใจถวายมาลัยดอกไม้ไหมคะได้พอหลุดจากมือเราก็ได้แล้วใครหยิบไปไม่สำคัญบางทีมันเรื่องของเหตุการณ์บางทีมันค่อนข้างที่จะเรื่องบีบรัดต้องร่วงไวเขาก็เลยช่วยบางทีก็อาจจะหยิบไปก่อน ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถือว่าเราได้ถวายแล้วคำถามจากคุณนิยาค่ะถ้าเราใช้คําอื่นนอกจากคําบริกรรมว่าพุโทโธได้ไหมเจ้าคะแล้วถ้าบริกรรมคําอะไรได้ก็ได้ที่ตัวเองชอบต่างจากการบริกรรมพุโทโธอย่างไรเจ้าคะและมีอนิสงส์เท่ากันไหมก็แล้วแต่ว่าคําที่เราบริกรรมมันมีอารมณ์หรือไม่ถ้าไปบริกรรมเงินเงินเงินนี่เดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาได้ แต่และคํามันมีมันมีผลต่อจิตใจไม่เหมือนกันอย่างวันนี้เลขเลขเลขเนี่ยเนี่ยตอนนี้จิตใ จ, จก็สัํากระสายกันเนี่ยวันนี้จะออกเลขอะไรเนอะเลขอะไรหนาะดัง้วมันมีคําที่ไม่ควรใช้และควรใช้คำที่ควรใช้กับพุทโธธรมโมสังโฆหรือตายตายตายตา ย, ตายนี่ได้ไม่เป็นไร คำถามจากคุณใหย่ยอี ค, ค่ะเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้การทำสมาธิภาวนาเจริญก้าวหน้าในผลการปฏิบตัติพอรู้สึกว่าการปฏิบัติมันวนๆอยู่ที่เดิมๆไม่ไปไหนเจ้าค่ะอยากให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้เจ้าค่ะ ต้องเพิ่มสติต้องฝึกสติให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นเนี่ยลองเอาช่วงที่ก่อนจะไปออกไปนอกบ้านเนี่ยเดินเช้ามาเนี่ยลองช่วงที่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวเนี่ยลองให้มันมีพุโทโธตลอดเวลาได้ไหมถ้าได้รับรองได้ว่านั่งสมาธิมันจะก้าวหน้าอย่างแน่นอนคำถามจากคุณประพาพิน ที่บ้านไม่มีหิ้งพระค่ะเพราะสามีเป็นชาวต่างชาติไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแบบนี้ผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกพระแท้จริงอยู่ในใจเราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เราก็ได้กราบพระนะสวนอิติปิโสไปภายในใจยกมือผนมมือก็ได้ไม่ผนมมือก็ได้ส่วนอิติปิโสแล้วแม้แต่เพียงแต่พูดว่าพุทธโทคำเดียวก็ไมีพระอยู่ในใจเราแล้วคำถามจากคุณพิษณุค่ะ การภาวนาพุทโธประกอบด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกต้องรู้ไหมครับว่าหายใจออกสั้นหรือยาวครับก็รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้มันจะสั้นจะยาวก็ก็รู้เฉยๆไปตอนนี้ไม่มีคําถามครับพระเจาจารย์ส่วนใหญ่มันเวลามันเริ่มต้นมันจะไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วถึงจะรู้ สนานาไม่ได้นะให้ถามได้อยู่เ่่ค ะ, ะถามได้ <laughs> ไใจน่ะมานั่งเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังที่เกลยดฟัง่ <laughs> อ, อพูออกุ้ใกล้ปากอะเ อ, เอาตัวนั้นตัวเดียวนะเนี่ยไอตัวเครื่อง <ใน S 1> ไม่ต้องเอลยมาส ก, การเจยวค่ะหนูก็จะถามเรื่องของตัวเองอ่ะหนูฝันกลางคืนเจ้าค่ะหนูจะตายไหมหนูฝันว่าหนูไปวัด หนูทบุญวัดนั้นอ่ะสี่พันซื้ออิฐสร้างกุฏิพอดีหนูไปถวายอาหารถวายอาหารท่านแล้วถวายหมดทีนี้หนูหิวข้าวหิวข้าวหนูเลยจะไปบอกว่าเออถวายผ้าหมดแล้วเดี๋ยวรับเศษผ้าจันรีกันแล้วกันมีแตงสายน้ำผึ้งอยู่ กับข้าวแต่หนูไปเอาไม่ได้เจ้าค่ะมันเป็นน้ําแข็งเย็นไปหมดเลยหนูไม่ได้กินข้าว<ม>หนูหิวข้าวหนูกลับมาบ้านมาเจอแม่แม่เสียนานแล้วแม่เลยบอกว่าไงกับข้าวหนูเยอะแยะไปอยากกินของคนอื่นทําไมไม่ใช่ของตัวเราเองอะ่ะของเรามีเยอะแยะวันนี้หนูไปตลาดหนูไปหาซื้อแปงงสาน้ําผึ้งอะ่ะไม่มีสีเหลืองแกมเอาขึ้นมาทักสิบลูกมาถวายมันไม่มีเจ้าค่ะหนูจะตายไหมเออไม่ตายหรอกไม่ คือเราอย่างที่แม่พูดนะถูกแล้วอย่าไปอยากกินของคนอื่นอย่างที่เราบอกให้ยินดีตามมีตามเกิดนะมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้คือแต่กับข้าวหนูเยอะแยะมากเลยแต่ไม่มีแตงสายน้ําผึ้งก็นั่นแหละพราะโลภมากไงไม่มากน้อยไม่สันโดษเพราะหนูพราหนูไม่เคยเอาแตงไปถวายพระเลยกลัวพระเป็นเบาหวานเจ้าค่ะนั่นแหละก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เกี่ยวกันเราอย่าไปอยากกินนั้นน่นมันก็หมดปัญหาไปเจ้าค่ะอสาธุ พอมันอยากแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจเรานอนหลับมันก็ฝันถึงมันนะอย่าไปอยากได้ของที่เราไม่มีเราจะไม่มีปัญหานั่นแหละมันพอมันอยากตอนตื่นมันนอนหลับมันก็มันก็ไปฝันต่อนะความฝันมันก็คือความคิดของเรานั่นแหละาทุกแ็งไม่มีเราจะซื้อมาเยอะๆึ้นมาก่ตมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเพราะตอนนี้คำถามหมดแล้ว